ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องพุทธพิธีแห่งความตายโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ วันนี้เราก็ได้มาร่วมรวมกันนะซึ่งปกติช่วงนี้บางทีหลายคนก็อาจจะกลับบ้านกลับช่องกันไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะเราก็มีการตั้งศพของโยมทาตรีนะซึ่งเป็นพ่อของคุณหญิงในที่นี้ก็มีหญิงหลายหญิงนะอ่ะ แต่หญิงนี้ก็คือหญิงที่เป็นทั้งผู้ปกครองนักเรียนพุทธธรรมแล้วก็เป็นครนะูที่ช่วยดูแลนักเรียนพุทธธรรมด้วยอยู่มาหลายปีนะคุณครูหญิงเนี่ยหลายปีตั้งแต่เอาลูกนะมามาเข้าเป็นนักเรียนก่อนจนกระทั่งตอนนี้เป็นครูไปแล้วนะช่วยดูแลด้วยซึ่งก็เป็นผู้ที่นะเอาภาระแล้วก็เอาใจใส่ ในการทีนะ่ช่วยเหลือด้านของนักเรียนพุทธธรรมนี่ได้อย่างดีมากเลยนะแต่วันนีนะ้คุณพ่อเสียชีวิตก็อายุได้ประมาณเท่าไหร่60 69อายุได้69ปีทุกวันนี้ถ้าอายุประมาณสัก69ปีก็ถือว่าอยู่ในขั้นอายุ พอสมควรแล้วนะเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เดี๋ยวนี้บางทียังไม่ถึง60เลยนะหลายลายบางทีก็จากไปซะก่อนแล้วนะวันนี้เราก็มีโอกาสที่มาได้มาร่วมนามาฟังเทศนาศพแต่มีเมืองกันบางคนก็พูดกันสั้นๆนะบางทีก็บอกไปฟังสวดศพไปฟังสวดศพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สวดให้ศพฟังนะ เพราะว่าศพเนี่ยก็คงไม่ได้ฟังอะไรแล้วแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วด้วยนะเพราะร่างกายเนี่ยเวลาคนเราถึงแก่กรรมหรือว่าเสียชีวิตแล้วนะก็ไม่รับรู้ร้อนอ่อนแข็งหนาวเย็นอะไรนี่ไม่รู้แล้วจะเอาไฟไปเผาจะเอาน้ําแข็งไปใส่นะก็ไม่ร้อนไม่หนาวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็น จะรีประเพณีหรือเป็นพิธีกรรมนนในศาสนาพุทธที่เมื่อมีการพัดพรากมีการตายเนี่ยจริงๆก็จะมีผู้ที่เป็นทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นนะโดยโดยเฉพาะอญาตนินก็จะมีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์เนี่ยใครล่ะที่จะมาช่วยเหลือหรือว่ามาช่วยปัดเป่าก็เพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดเมื่อรับรู้ข่าวแล้วก็มาช่วยกันแต่ตอนนี้น นะ่าช่วยกันในเรื่องอาบางทีปลอบใจช่วยกันในเรื่องของอข้าวของเงินทองหรืออะไรกันบ้างนะแต่บางครั้งก็ยังไม่ไม่คลายทุกข์นะยิ่งบางคนเนี่ยจัดงานศพไว้หลายหลายวันซึ่งบางครั้งเราก็เรียกกันว่าไว้ทุกข์นะจริงๆแล้วหลักการของาศาสนาพุทธนี่ไม่ไม่เอาทุกข์ไว้นะการไว้ทุกข์นี่เราไม่เอา เพราะนั้นหลักการของศาสนาพุทธก็เลยว่าถ้าเสียชีวิตแล้วให้เร็วที่สุดที่จะทำยังไงให้ทุกเนี่ยดับไปหรือว่าทุกเนี่ยให้หมดไปงันะเพราะนั้นการที่ตั้งศพไว้น้อยวันที่สุดนะใครสามารถทำได้น้อยวันที่สุดเผาของศาสนาพุทธเราเราใช้เผาเราก็ไม่ได้ไปใช้ฝังนะนะไม่ได้ฝังไปเหมือนประเพณีอย่างของจีนเขา ยังอาตมาเองอย่างโยมพ่อก็เป็นคนจีนนัก็ไปฝังจริงๆแล้วอยากให้เผาแต่ว่าเอาละก็ไม่สามารถเลี่ยงจะรีดประเพณีอย่างของโยมพ่อได้นะก็เลยไปฝังซึ่งการไปฝังทําให้ต้องสูญเสียเงินทองไปอีกเยอะแ ย, ยะมากมายจนกระทั่งบางทีเนี่ยเขามีสำนวนที่พูดว่าคนตายขายคนเป็น นะหรือว่าจริงๆแล้วเราว่าเราไปเผาศพเนี่ยแต่ไปไปมามาแล้วกลายเป็นคนตายเผาคนเป็นคือคนเป็นนี่กรอบเลยกรอบเลยคือบางทีเป็นแสนเลยนะในงานศพนะยิ่งตั้งไว้หลายๆวันนะบางที7วัน7คืนนะมีอะไรมหรสพมีการละเล่นมีการแสดงนะมีทั้งการพนันมีทั้งเหล้ายาปาปิ้ง มีทั้งโอโห อ, อะไรเยอะแย ะ, ยะไปหมดนะซึ่งทําให้บางทีเนี่ยพอจัดงานศพเสร็จแล้วเป็นหนี้เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าไว้ทุกต่อไปอีกเพราะว่าพอจัดงานศพเสร็จใช่ไหมยังจะต้องทุกที่ว่าจะใช้หนี้ค่าจัดงานศพนี่เขายังไงแม้ว่าบางทีเนี่ยพวกญาติโยมที่มาช่วยเหลือเขาก็จะมีอะนะให้เงินให้ทองบ้าง ไม่พอใช่ไหมบางทีนี่ไม่พอเลยเพราะนั้นประเพณีของศาสนาพุทธนี่ก็เลยพยายามที่จะพยายามทำให้ให้เรียกว่าไม่ต้องไปสูญเสียอะไรให้มากมายสิ่งที่เราต้องการความสูญเสียเนี่ยคือเราต้องการให้ทุกเท่านั้นเนี่ยให้มันสูญเสียให้มันหมดไปไม่ไม่ใช่จะต้องไปเสียเวลากันมากมายแล้วก็ไปเสียเงินทองกันมากมาย หรือว่าบางทีต้องไปเสียใจกันมากมายหลายๆวันนะอันนี้ไม่เหมาะไม่ควรนันถ้าที่ถูกต้องแล้วเนี่ยถ้าผู้ที่ฉลาดแล้วมีสติปัญญาแล้วก็เข้าใจเนี่ยก็จะพยายามทำทุกให้หมดให้เร็วที่สุดมันอย่างเนี้ยเรามาฟังนะสวดหน้าศพจริงๆเขาเขาคำที่ถูกก็น่าจะพูดว่ามาฟังสวดหน้าศพไม่ใช่ไปฟังสวดศพ นะถ้าไปฟังสวดศพนี่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะถ้าศพลุกขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็หวังว่านะบางทีพวกเราก็เออใช้คาให้มันชนัดเจนบางทีทำให้เราเข้าใจความหมายที่ชัดขึ้นและโดยประโยชน์ที่เราจะได้รับมากที่สุดเลยนะัในการที่เรามาฟังสวดหน้าศพเนี่ยก็คือเราจะได้ฟังธรรมะซึ่งอันเนี้ย เป็นประเด็นหลักหรือเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าคนเราเนี่ยจะดับทุกข์หรือว่าจะคลายทุกข์ในใจนั้นได้ดีที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรได้ดีเท่าธรรมะนะซึ่งการฟังธรรมของเราเนี่ยทำให้เรารู้สัจจะของชีวิตรู้ความจริงรู้การที่เราจะประพฤติปฏิบัติตัวของเราว่าเราจะทำยังไงนะที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยมันพ้นทุกข์มาได้นะเพราะ หลายสิ่งหลายอย่างเลยที่เรามีทุกเนี่ยเราไปสร้างเองเราไปก่อเองหรือเราไปทําเองทำทที่ไม่มีความจําเป็นต้องทําอย่างนั้นแต่เราเราก็อาจจะอะไรอ่ะทำตามๆกันมาหรือบางทีเราก็เอา้าก็พ่อแม่พี่น้องเครือญาติก็ทําอย่างนี้เราก็ก็ทำโดยเฉพาะบางทีอาตมาได้ยินแว่วๆออมาแม่แต่ครูหญิงเขาเนี่ย พอรู้ว่าคุณพ่อเสียแล้วเนี่ยนะก็ถามว่าจะทําไงอ่ะเขาไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ไม่รู้เลยจริงๆด้วยว่าจะทํำยังไงเราจะอะไรยังไงบ้างจะติดต่อหรือจะอะไรยังไงไม่รู้จริงๆเพราะโดย ป, ปกติคนเราก็ไม่ไม่ค่อยมีใครอยากจะคิดถึงเรื่องความตายไม่มีใครอยากจะคิดถึงเรื่องการพลัดพาคไปไหนส่วนใหญ่เราคิดยังไง คิดว่าพุ่งนี้จะทําอะไรพุ่งนี้จะกินอะไรพุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนหรืออะไรเราก็มักจะคิดแต่อเรื่องที่เป็นความสุขซะส่วนใหญ่เรื่องมรณานุสติหรือเรื่องความคิดในด้านที่จะต้องพลัดพลาดจะต้องสูญเสียจะต้องจากกันเราไม่ค่อยมาคิดหรอกหาน้อยคนมากนะจนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงได้เตือนท่านสอนชาวพุทธเนี่ยนะท่านเตือนว่า ให้มีมรณานุสติคือหมันเราลึกถึงความตายความพัดพลากเนี่ยเอาไว้บ้างนะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักปรงบ้างรู้จักวางบ้างพอเวลาวันไหนเจอของจริงเขา้าจะได้ทำใจได้ไม่อย่างนั้นบางทีเนี่ยตั้งตัวไม่ติดมีหลายคนที่บางทีช็อกไปเลยนะพอพอต้องเกิดการพรัดพลาดขึ้นมาเพราะไม่เคยนึกไม่เคยคิดยิ่งบางทีเนี่ย ถ้าไม่ได้อายุมากเหมือนโยมาธาตรีเขาเนี่ยบางทีอายุเราจะไปนึกยังไงอะ่ะส0มสหรือยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเงเป็นเด็กอย่างเงี้ยเราก็ต้องพัดพลาดต้องสูญเสียไปโอ้โหบางทีพ่อแม่พี่น้องหรือเครือญาติทุกมากเลยเพราะว่าไม่คิดจริงๆด้วยบางคนเนี่ยจนกระทั่งลูกหลานหรือว่าเพื่อนฝูงคือญาติอะไรสูญเสียไปแล้วเนี่ยยังทําใจไม่ได้เลยเพราะ ยอมรับไม่ได้ว่าอายุเขาแค่นี้เขาจะต้องสูญเสียไปซึ่งนี่แหละทำให้คนนั้นเนี่ยต้องทุกข์มากๆทรมานทรกรรมไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้สัจจากของชีวิตต้องเข้าใจชีวิตด้วยว่าชีวิตคนเราเนี่ยพร้อมจะพัดพากได้ทุกขนาดนะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตั้งแต่คลอดออกมานะ ทุกขณะเลยสามารถที่จะเสียชีวิตได้หรือยังเป็นเด็กก็อาจจะตายก่อนคนแก่ก็ได้หรือเป็นคนหนุ่มสาวก็อาจจะตายก่อนคนแก่ก็ได้ซึ่งอันนี้ถ้าเราเองมีการพิจารณามีการเข้าใจสัจธรรมหรือธรรมะเอาไว้บ้างเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีเครื่องเตือนใจหรือเครื่องเตือนสติเราที่จะทําให้เราเนี่ยจะได้ไม่ประมาท นะพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าไม่ประมาทในชีวิตเพราะปกติคนเราเนี่ยจะประมาทนะเหมือนตะ ก, กี้อาตมาบอกไปอ่ะเราคิดแต่อะไรที่มันเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วนะเราไม่คิดหรอกเรื่องของการสูญเสียหรือพัดพลาดเพราะฉะนั้นมันก็เลยประมาทจนพอมันเกิดขึ้นเนี่ยเราเลยทําใจของเราเนี่ยไม่ทันหรือทําใจไม่ได้นะเพราะฉนั้นการที่บางทีเนี่ยเราได้มาฟังเทศฟังธรรมบ้าง ทำให้เราเข้าใจใน ห, หลายสิ่งหลายอย่างที่บางทีเราไม่สนใจแล้วเราไม่รู้เราก็ทาตามเขาไปโดยที่ทำโดยที่เราต้องสูญเสียหรือเราต้องทุกข์มากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นหรือว่าไม่ต้องไปทุกข์อย่างนั้นเลยนายกตัวอย่างน้นเนี่ยอย่างเช่นจารีประเพณีถ้าทั่วๆไปเนี่ยเราเราไปตามวัดทั่วไปที่เขาทำกันเนี่ยนะจริงๆเขาจะมี คณะกรรมการเขามีหน่วยเฉพาะกิจของเขาเลยนะพอเรามีคนตายเนี่ยเรามีศพไปถึงปั๊บเขามีหน่วยเลยนะต่างๆเรียบร้อยเลยจะอะไรอะดอกไม้ถูบเทียนจะลงจะฉีดศพจะอะไรนี่เขามีหมดเลยบริการเขามีทุกขั้นตอนเลยแต่ทุกบริการนั้นก็คือเงินทั้งนั้นเลยนะซึ่งอย่างเงี้ยอาตมาถึงบอกว่าบางทีโอ้โหสูญเสียมากมายเลย ทั้งทั้งที่บางทีบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นเลยนะยิ่งถ้าบอกว่าถ้าทําตามที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยพอเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็รีบจัดการเลยซึ่งตัวอย่างเนี่ยมีมาแล้วผู้เจ้าท่านสอนไว้จริงๆแม้แต่ขนาดเป็นเป็นนักบวชนะเป็นพระอาหารหันต์ที่เรียกว่าพอเสียชีวิตไปปับ๊บนะเอาเล่าเล่าเรื่องให้ฟังสักหน่อยหนึ่งนะอันนี้ มีมาในพระไตรปิฎกผู้เจ้าท่านก็ตรัสให้ฟังในเรื่องของของงานศพเนี่ยก็มีนักบวตรูปหนึ่งนะชื่อว่าภาชิยะทารุจริยะนักบวตรูปเนี้ยเหลือจิตแค่ลังเลสงสัยบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นถ้าตัดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะบรรลุธรรมเลยแต่ว่ายังคาใจยังขล่องใจอยู่ตรงนี้เองว่าตัวเองเนี่ย เอ๊ะเป็นพระอาหารได้หรื อ, อยังความสงสัยตรงเนี้ยก็เลยยังทาให้เป็นพระอาหารไม่ได้งา น, นยังเป็นกิเลสอยู่นะมากความลังเลยแม้ความสงสัยนี่ก็ยังเป็นกิเลสตัวหนึ่งในที่สุดท่านก็เลยยังไม่สามารถบรรลุได้ก็เลยในที่สุดไปเที่ยวถามพระต่างๆก็ไม่ได้คําตอบที่จะทําให้หายสงสัยในที่สุดเลยก็เลยคิดว่าเนี่ยต้องมาถามพระพุทธเจ้าเองแหละก็เลยมาเลย นาะพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพักอยู่ที่ไหนนั้นะก็รีบเดินทางมาเลยเพื่อที่จะถามพระพุทธเจ้าให้ได้ปรากฏว่าพอมาถึงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกําลังเดินบินทบาทอยู่นะํามาถึงก็ไม่รอช้าเลยรีบเข้าไปเลยเข้าไปถามพระุทธเจ้าตอนเดินบิณทบาทอยู่นั่นแหละเข้าไปถามเลยว่าว่าเนี่ยว่าจะทํำยังไง จะปฏิบัติยังไงหรือว่าจะคิดยังไงที่จะทำให้แบบว่าบรรลุธรรมได้หรือว่าพ้นทุกข์ได้พิจารยาท่านก็ตรัสให้ฟังจริงๆตอนแรกเนี่ยท่านปฏิเสธก่อนท่านบอกว่าว่านี่เวลาบิณฑบาตแล้วไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะมาสอนอะไรนั้นก็บอกว่ารอก่อนแล้วกันแต่ปรากฏว่าท่านภายิะเนี่ยท่านไม่รอท่านบอกไม่ได้อ่ะรอไม่ได้ท่านต้องต้องให้รู้ นะเพราะว่าท่านพู้ง่ายว่าอึดอัดมานานแล้วแหละว่าว่าบรรลุหรื อ, อยังมันก็เลยถามในที่สุดพระเจ้าก็เลยเอา้าก็เลยบอกให้นะอตมาก็จําข้อความทั้งหมดไม่ได้แต่โดยคร่าวๆก็เนี่ยเอาสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้เห็นอะไรทํานองนี้นะคือผูดง่ายว่าให้รู้จักปล่อยวางลงซะบ้างนะไม่ใช่ยึดไอ้นั่นยึดไอ้นีหน่หรือยึดแต่ว่าต้องเป็นพระอรหันต์ต้องบรรลุธรรมต้องอะไร นะถ้าให้รู้จักปล่อยซะบ้างก็ในที่สุดพอท่านฟังอันนี้แล้วนะผูะพุทธเจ้าท่านก็บริบบบท่อนะท่านภายัยยะท่านก็พิจารณาทำอันเนี้ยก็เดินไปท่านก็พิจารณาไปจนกระทั่งท่านเข้าใจปรากฏว่าท่านก็วางเอกความอยากสุดท้ายเนี่ยที่อยากบรรลุให้ได้ท่านก็วางตรงนี้ได้วางความอยากเสียได้ก็บรรลุ ก็บากกว่าก็เป็นพาาระอรหันต์นับรรลุธรรมเลยเป็นพระอรหันต์พอบรรลุปับ๊บก็เป็นไปตามวิบากกรรมของท่านซึ่งคนเราเนี่ยหลายคนบางทีนะโอ้โหบางทีเราได้ดิีได้ดีหรือเราไอ้นายไอ้นี่ทําไมเราจะต้องซวยอย่างนี้ทําไมเราจะต้องโดนอย่างนี้จริงๆแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะพรุทธเจ้าท่านใช้คําว่าสัตว์โลกเนี่ยหมายถึงว่าทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยแหละท่านใช้รวมเลยว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะ เพราะนั้นในที่สุดเนี่ยปรากฏว่าพอท่านบรรลุธรรมแล้วนะท่านก็เดินอยู่ด้านเนี่ยปรากฏว่าโดนวัวเนี่ยมาขวิดถึงแก่ความตายนะพวกวัวบ้ามันขาดสติมันเสียสติมันก็มาขวิดที่บากกรรมท่านก็ถึงแก่ความตายจริงๆเสร็จปรากฏว่าก็พอดีผจ้ทาท่านบินสบายเสร็จท่านก็ก็เดินกลับมานะมาผ่านแล้วก็มาพบเข้าพอพบเข้าก็ คือผู้เจา้าท่บิดาบาตเนี่ยไม่ได้บินรูปเดียวนะก็มีภิกษุอื่นตามด้วยอะไรด้วยนะพอเดินกลับมาแล้วมาพบเข้ากันอา้าวตายซะละเป็นศพซะละท่านก็บอกภิกษุที่ตามมาด้วยเนี่ยบอกอา้าวช่วยกันหามนะหามเอาไปแล้วก็เผาคือไม่รอเลยหามไปแล้วก็ไปถึงที่ ท, ที่ที่เหมาะควรแล้วนะที่พักแล้วก็ เผาเลยประชุมเพลิงเลยถ้าไม่รอเลยไม่ต้องรอวันหนึ่งสองวันสาวันสี่วันอะไรไม่รอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆถ้าเราศึกษาธรรมะเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราจะเห็นเลยว่าประโยชน์มากมายนะที่เรียกว่าเผาให้เร็วที่สุดได้นะการสูญเสียเราทั้งเสียใจทั้งเสียเงินเสียเวลาเสียทรัพย์เสียอารมณ์เสียความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยลงไปใช่ไหม ซ, ซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ต้องระดับพระพุทธเจ้าหรอกเราเองเราก็พอนึกได้อยู่เหมือนกันนะใช่ไหมว่าว่าเออการสูญเสียอย่างนั้นเนี่ยมันจะน้อยลงถ้าเรารีบทำซะซึ่งอันเนี้ยแต่ก็ปรากฏว่านะชาวพุทธเรานะส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยทำตามอันนี้จนในที่สุดก็เลยบานปลายนะการสูญเสียก็เยอะแยะมากมายรวมไปกระทั่งถึงบางที จำได้ไปงานศพเนี่ยแหละไปพังสวดหน้าศพเนี่ยโดยเฉพาะที่ทรมานที่สุดคือคือเราต้องไปนั่งฟังแล้วเขาก็จุดธูปจุดเทียนจุดโดยเฉพาะธูปเนี่ยแหละโอ้โหบางทีอยู่ในห้องที่เขามีไอ้นั่นด้วย น, นะมีกระจกมีอะไรแล้วก็เขามีพัดลมติดข้างบนเนี่ยมันก็พัดเอาควันธูปเนี่ยโอ้โหทั้งแสบตาทั้งดมเข้าไปก็รู้สึก ลำบากมากเลยมีบางทียังน้ําตาจะไหลเอาเลยนะเดี๋ยวนึกว่าเราแม้ฟังทราบซึ้งมากจนกระทั่งเราลองหม่มล้องไห้ตามท่านสวดจริงๆฟังท่านสวดก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะเพราะว่าท่านสวดเป็นบาลีลนะซึ่งเราก็ฟังไม่รู้เรื่องนะจริงๆแล้วนะแม้แต่การสวดเนี่ยต้องสวดภาษาที่ผู้ฟังรู้เรื่องอันนี้ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกอะ่ะต้องสวดภาษาที่ผู้ฟังรู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องแล้วจะมีประโยชน์อะไรสมมติว่าเอาคนไทยซึ่งไม่รู้ภาษาฝรั่งและอาดมาเทเป็นภาษาฝรั่งให้คนไทยคนนั้นฟังมีประโยชน์อะไรล่ะเขาฟังไม่รู้เรื่องทั้งๆ ท, ท, ที่บอกแล้วเป้าหมายหรือจุดสําคัญของการที่มางานศพเนี่ยประเด็นสําคัญที่สุดคือได้ฟังธรรมเพราะเป็นโอกาสเดียวที่เราเนี่ยจะได้เอาธรรมะเนี่ยเอามาดับทุกข์เอามาทําให้เราเนี่ย พ้นจากไอ้ความเศร้าโศกความเสียใจความกังวลความห่วงโน่นห่วงนี่อ่างต่างเพราะได้เข้าใจธรรมะซึ่งเนี้ยแหละทุกเรามันก็จะเออลดลงหรือว่าจะดับไปแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยน่าสวนเราก็ไปฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้ยังค่อยยังชั่วไปเจอบางวัดเหมือนกันนะที่ที่เคยเคยไปงานศพเนี่ยเพราะว่าอย่างพวกเราเราก็ เวลาพวกเราไปเผาที่ที่วัดอื่นเขาเนี่ยนะที่เขามีพิธีงานศพต่างๆเราก็ไปนะไปร่วมให้เกียรติกับผู้ตายนะแล้วก็ไปร่วมพบปะกับผู้ที่เราเคยรู้จักคบคุ้นมาเป็นเครือญาติตป็นอะไรต่างนะเราก็ไปในงานนี้ปรากฏว่าเนี่ยแหละมีเหมือนกันบางวัดที่สวดแล้วก็มีการแปลบ้างแปลเป็นภาษาไทยบ้าง เอออย่างนี้ค่อยรู้สึกว่าค่อยดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดเลยไม่ต้องไปห่วงเพราะคำว่าสวดมนเนี่ยหรือว่าจริงๆก็คือการเทศนั่นเองสามารถที่จะเทศสามารถแสดงธรรมได้เลยเหมือนที่อาตมากำลังพูดอยู่เนี่ยสามารถทำได้เลยเราจะยกพระพุทธพจน์เราจะยกคำกล่าวคำสอนของผู้เจ้ามาเรายกได้ทั้งนั้นเลยนะเอามาให ญาติโยมได้รับรู้แล้วก็รับฟังกันเพราะจริงๆที่สวดเป็นภาษาบาลีแล้วก็แล้วก็โยมฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยจริงๆก็คือคําสอนของผู้วิญญาณนั่นแหละถ้าท่านเอาเอาบทสวดที่เป็นของผู้วิญญามานะนะก็คือคําสอนของผู้วิญญาแต่ทําไมล่ะเอาคําสอนของผู้วิญญามาให้คนฟังแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็นั่งไปบางทีเขาก็คุยกันใช่ไหมหรือบางคนก็หลับเลยพอพอ จบแล้วก็ค่อยอค่อยตื่นขึ้นมาแล้วก็อ่าเดี๋ยวทาอะไรก็ค่อยทําต่อซึ่งไม่มีประโยชน์นะแล้วก็ไปฟังก็ไปเสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดมรรคผลไม่เกิดอะไรขึ้นมานะนะนะเรื่องของของการสวดใช่ไหมเสร็จแล้วนะทูบเทียนก็เหมือนกันจริงๆแล้วทูบเทียนอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีความจําเป็นใดๆเลยแล้วศาสนาพูดจริงๆในศีลต่างๆของพระเนี่ย ขุ่เจ้าก็ห้ามอยู่แล้วด้วยห้ามไม่ให้ใช้ไม่ต้องมีนี่เป็นศีลประการหนึ่งของเธอขุ่เจ้าท่านตรัสสอนไ้เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจาเป็นใดๆต้องใช้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างของเราเราก็เลยพยายามนะที่จะปฏิบัติตามแล้วก็ไม่ต้องไปผิดศีลของของของพระด้วยนันะเราก็ใช้สิบนิ้วปนมนะต่างทูบเทียนนะใช้จิตของเราใช้ใจของเราเนี่ย นะที่จ ะ, ะระลึกจะนอบน้อมนะในการฟังธรรมหรือว่าเราจะใช้บูชาใช้บูชาพระพุทธเจ้านะหรือการกราบใช่ไหมการน้อมใจสดับฟังซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการเคารพคือการบูชาจริงๆต่างจากบางทีเนี่ยเราจุดทูบเทียนจริ ง, ซ, งซึ่งเป้าหมายก็คือจะบูชาใช่ไหม จุดทูบเทียนเนี่ยก็เพื่อที่จะบูชาแต่ปรากฏว่าพอจุดทูบเทียนเสร็จแล้วทํำไงจุดทูบเทียนไปก็ก็จุดไปอย่างนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจอะไรเลยนะศีลก็ไม่ได้ถือน่าจะปฏิบัติหรือว่าจะทําดีทําบุญทํากุศลอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยซึ่งอย่างเงี้ยแหละ ซึ่งเนี่ยเราก็จะตัดทอนไปได้อีกล้เห็นมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกินมาในศาสนาพุทธไม่ได้สิ่งที่ที่จะต้องมีจะต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหเราตัดไปได้ตั้งหลายอย่างแล้วนะซึ่งเนี่ยถ้าเราได้มาเข้าใจแล้วเราได้มาศึกษาธรรมะแล้วได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพานำแล้วท่านพาสอนอยังไงชีวิตเราดูสิจะเรียบง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องไปหลงติดกับค่านิยมที่เขา เป็นจารีประเพณีที่พาไปแบบผิดๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ต้องสูญเสียอะไรมากมายซึ่งเนี่ยแหละเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราไม่ได้มาเข้าใจในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเราก็ยังคงงมงายไปตามนั้น <c oughs> ก็ทำไปตามนั้นน่ะเนี่ยถ้าอาตมาเองแม้แต่ตัวเอง ถ้าไม่ได้มาเรียนรู้ไม่ได้มาเข้าใจไม่ได้มาศึกษาพระไตบิดกด้วยโอ้โหคนโดนหลอกไปอีกนานไม่รู้เลยอ่ะเราก็นึกว่าเราฉลาดแต่ที่ไหนได้นะเราโดนหลอกไปเรื่อยโดนหลอกไปเรื่อยนั้นะเดี๋ยวนี้นี่หลอกไม่ได้ละเพราะเราได้เรียนรู้เราไ ด, ได้ศึกษาแล้วนะเราก็ได้พบเห็นทั้งหลักฐานว่าเออพระเจ้าท่านตรัสไว้อย่างงี้อย่างนี้นะท่านสอนมาอย่างงี้อย่างงี้ เราเข้าใจยิ่งพอเราเข้าใจชัดเจนเนี่ยเราก็ยิ่งสามารถที่จะแทนที่เงินทองเราจะต้องหมดไปหรือต้องสูญเสียไปเนี่ยใช่ไหมเงินทองข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยโอ้เอามาทําบุญสุนทานเอามาทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าซึ่งยิ่งทําให้เราก็ได้บุญมากขึ้นแต่อันนี้ที่เราสูญเสียไปเนี่ยบางทีน่ะโอ้โหจ้างอันนั่นจ้างอันนีน้เสียอะไรต่างๆเนี่ยเสียฟรีเลยนะเสียเสียไปให้กับคนที่เขา มาทํามาหากินแบบใช้วิธีการพวกนี้แม้แต่เราเนี่ยในที่นี้เนี่ยเราก็ยังแม้แต่อะไรอะ่ะอย่าว่าแต่ทูบเทียนเลยนะแม้แต่อะไรพวงหลีดแม้แต่อะไรเนี่ยคือไม่จําเป็นก็ได้เพราะเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทิ้งขนาดที่งานศพที่บัานต่างๆเนี่ยไปดูเถอะได้ยินพวกพวกที่เขาอะไรเขาเรียกเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกที่เข้ามาช่วยทํา ไปดำเนินรายการเนี่ย ว, ว่าจะต้องอราธนาศีลหรือว่าอะไรเมื่ อ, อไรยังไงเขาเรียกคนอะไรอะ่ะที่ที่เขาเป็นผู้ชายที่เขาอยู่มาร์กาไทยไทยกนะเออนะบางทีนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเราไม่รู้เราก็ต้องยกประโยชน์ให้เขาใช่ไหมแล้วก็ให้เขาทำทั้งที่มันไม่จำเป็นเลยเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นเลย ซึ่งพอเราเข้าใจได้เราก็ไม่ต้องไปสูญเสียเลยเพราะว่าอันนี้ก็ต้องเขาก็มีหัวคิวกันไปตามขั้นตามตอนนะใครอยู่ตำแหน่งไหนจะได้เท่าไหร่ได้ยังไงนะไม่ใช่อะไรนะกรรมการครึ่งวัดครึ่งอะไรงนี้นะซึ่งซึ่งถ้าเราเข้าใจเห็นมันเนี่ยเราไม่ต้องสูญเสียพวกนี้เลยแล้วนะเคยจะยินเนี่ยโอ้โหเขาเขาบนนะ่นเนี่ยเขาบ่นให้ให้ได้ยินกับหูเลยบอกโอ้เยอะแยะเสร็จแล้วก็ เขาก็หาที่ค่อยที่แขวนอะไรก็ลาบากนะเพราะมันเยอะบางบางเจ้านี่ก็บางรายนี่อะไรอะ่ะคนรู้จักมากเหลือเกินแล้วก็เอาอันนี้มานะซึ่งอาตมาว่าจริงๆแล้วโธอันนี้ไม่ต้องเอามาก็ได้ถ้าเพราะว่าแค่ค่าพวงหรีดเนะี่ยเดี๋ยวนี้อันหนึ่งเท่าไหร่ละประมาณเท่าไหร่ขี้หมูขี้หมานี่ห้าร้อยเท่าที่เท่าที่เคยเห็นมานะาถูกหน่อยอาจจะสามร้อยนะ ท, ท, ที่เคยเห็นมานี่ค่อนข้างถูกละสามร้อยนี่นะห้าร้อยนี่อาจจะกลางๆหน่อยแต่ถ้าเอาดีกว่านี้ก็สูงขึ้นไปอีกเสร็จแล้วส่วนใหญ่นี่ทิ้งแล้วก็เป็นปัญหาเป็นขยะเป็นสิ่งที่จะต้องอะไรอ่ะให้มขนให้มาอะไรเต็มวัดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะจนกระทั่งเรียกว่าไปสร้างปัญหาเป็นลูกโซ่ต่อไป บางทียิ่งแต่ก่อนเนี่ยทั้งโฟมทั้งอะไรใช่ไห ม, มทั้งใช้โฟมด้วยทั้งใช้อะไรต่างๆนานานะเพราะอันนี้ถ้าเราเข้าใจจารีประเพณีที่ถูกต้องที่เป็นของพูดจริงเนี่ยเราตัดไปตัดออกไปได้อีกและไม่ต้องเลยเงินที่จอมาสูญเสียพวกนีนะ้เอามาทําประโยชน์อื่นดีกว่าเอามาทําบุญเนี่ยเอาอะไรอะ่ะเอามาช่วยคนจนหรือว่าเอาไปสร้างโรงเรียน เอาไปช่วยคนที่เขาทุกข์ยากลําบากอันนี้ยังได้บุญกุศลยิ่งกว่ามาสูญเสียงเงินอันนี้หรือไหนๆก็เราก็เอามาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ที่เป็นเครือญาติของผู้ตายใช่ไหมแทนที่จะต้องเสียงเงินกับข้าของคนนั้นก็เอามาใส่ซองเอาให้กับญาติของผู้ตายเขาเลยดีสุกว่าเพราะว่าเออเขาจะได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยอะไรได้ซึ่งอันเนี้ย เป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้นะสัจธรรมชีวิตจริงๆซึ่งถ้าเราเข้าใจได้จะทำให้เรานะพ้นทุกเพราะทุกทุกวันนี้นะเป็นทุก์ที่เกิดจากการที่เราทำเอง